เทนาแทที่82ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุตรธานีแสดงธรรมในวันที่2สิงหาคม2558ปีชื่อเรียกว่ารากหวานยอดเป็นพิษ ดูนะพวกจัดอาหารดูให้ดีนะทั้งหวานทั้งขาวทั้งผักข้าวจัดใส่ถาดให้เรียบร้อยแล้วก็มีถ้วยมีจานแล้วก็มีช้อนให้ครบเมื่อยกออกมาแล้วก็ให้ทั่วถึงกันนะดูอาหารนะจะให้ ไปทางล้วนไหลไม่ได้นะต้องให้ทั่วถึงกันก่อนนะพอเห็นอาหารเกิดความโลภขึ้นมาไม่ใช่นะไม่ใช่อาหารของใครผู้ใดใครผู้หนึ่งอาหารของกลางถ้าใครเป็นโลภอาหารของกลางไม่ได้ลนะ่ะเดี๋ยวเป็นเปรตนะจะว่าไม่บอกนะตนโพหลงพ่อปลูกไว้อะไรก็ไม่เหลือนะเปรตมาแขวนกิ่งโพ ไม่ได้นะอันนี้เป็นอาหารของกลางมันต้องแจกให้ทั่วถึงไปหาโลคโหโบกนะไม่ได้นะอาหารไม่ใช่อาหารของผูหนึ่งผู้ใดเป็นอาหารของพวกเราทุกคนต้องให้กินอิ่มซะก่อนถ้ากินอิ่มแล้วเอาไปไม่ว่ากัน่ะถ้ายังไม่กินอิ่มต่างคนต่างแย่งกันนะ่ เดี๋ยวตุนหลวงพ่อปลูกต้นโพเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หวัดไม่ไหวเนะี่ยเปรตทั้งหลายมาแขวนกิ่งโพโ <c oughs> <c oughs> เะยอา้าวสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนะพวกผู้ใหญ่โกหกใช่ไหมเอ้ <c oughs> ระวังเด้วะนะไปกายเดินไปกายกายวัดนะ่ะเดินไปผ่านวัดนะ่ะที่ที่มีต้นโพโน่นะเดี๋ยวเปรตนะนะั่น่ะมันเอาหาเอาขาเนะี่ย มัดใจกิงโพลเอาหัวลงมาข้างล่างเหมือนกันอเอเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็มองคนที่ไปผ่านไปผ่านมาตาัดเลือกไปเลือกมาเนี่ยเต่ขามันอยู่ข้างบนหัวมันอยู่ข้างล่างเปรตมาทําอย่างงั้นแล้วโอ้ไปเห็นวัดกูกลัวแลยกลางคืนพอเดินผ่านพ่อตะกูวิ่งไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีที่นั้นแล้วกันกลัวกลัวกลัวผีเหมืนกันเนี <c> ่ย <oughs> คนบัวลานเขาเขาบอกอย่างงั้นนะ <c oughs> สรุปแล้วก็คือเปรตไม่อยู่อยู่ใกล้ๆวัดเขาว่ากันนะเพราะฉะนั้นในพวกเราระวังนะถ้าววัดเนี่ยไปสวรรค์ก็ไปได้ไปตกนรกก็ไปได้คนที่มาวัดเนี่ยพร้อมที่จะไปสวรรค์นิพพานได้พร้อมที่จะตกต่ําได้แต่พวกเราให้รู้เอาไว้ว่าการมาวัดมาเพื่ออะไร มาวังบุญกุศลก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาเนะ่ะในจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจให้เป็นธรรมกออูบาทั้งหลายนะบอกบอกกัน ต, ต่อกันไปด้วยนะกูบาช่วงนี้เป็นฝนตกทั้งวันทั้งคืนมานมนานทำให้พื้นดินพื้นถนนของเราภายในวัดนะมีขี้ตะไครจับเขียว หลวงพ่อไปสำรวจเมื่อวานเนี่ยนั่งรถไปสำรวจขนาดรถยังจะเป๊ะๆไปเพราะมันเรื่นแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ทําไอ้ตรงกลางนะ่ยที่ทําเป็นก้อนหินฟูๆขึ้นมาตรงกลาง น, ะนั่นนะ่ะนั่นแหละตรงนั้นนะให้พระเดินเหยียบในพรรษาในเมื่อมีทิศขี้ตะไคร่น้ําเต็มไปหมดแล้วให้เดินตรงกลาง อย่าไปเดินข้างถ้าเดินข้างไปมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่ายถ้าหกล้มลงไปแล้วนะั่นบาทก็จะบุกเอาศอกลราไปศอกก็จะแตกเอามือลงไปมืออาจจะข้อมือหักก็ได้วันนี้นให้ระวังนะให้ลูกหลานผ้านเนนทุกองระวังให้ใส่รองเท้ารองเท้าที่ใส่ต้องดูพื้นของมันอย่าไปใส่รองเท้าพื้นแข็ง รองเท้าของเรามีตังแย่ๆไปรองเท้าฟองน้ำคนะ่ะเวลาเราเดินลงมาก็ใส่รองเท้าฟองน้ําแล้วก็เหยียบที่ตุ่มๆ ต, ตุ่มที่ตรงกลางนะั่นแหะที่เราให้เหยียบนะเป็นหินโผล่ขึ้นมานะหลวงพ่อรับรองเลยว่าจะไม่รื้นเด็ดขาดนะถ้าลูกหลานประมาทเลินเล่อ เ, เมื่อไหร่กับเมื่อนะั้นหละเห็นฤทธิ์นะลูกหลานนะอันนี้บอกหลวงพ่อบอกให้พวกเรา การจะเดินจะไปจะมาก็ต้องมีสตินะเออสติสัมปชัญญะเราจะเดินที่ตรงไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าจะเดินซุ่มซ่ามไปเรื่อยนะไอ้บางองค์ก็ยังไม่รู้จักเอ๊ะเขาทําขึ้นมาทําไมไอ้ทุกที่ตรงกลางเนี่ยนะเอขณะท่านพูดว่าหลวงพ่อพาเดินในวัดท่านก็ยังถามอีกเอ๊ะท่านอาจารย์ทําทําไมไอ้ตรงกลางเนี่ยเออ การทำยังไม่รู้เหมอนนะ <c oughs> นี่วันนั้นหลวงพ่อบอกได้เลยว่าที่ทำเป็นหินโพโพปุตโตะปะขึ้นมานัะ น, ะนะสำหรับหน้าฝนนี่แหล ะ, ะฝนตกลงมาแล้วมันขี้ตะไคร้สีเขียวเกาะเต็มไปหมดถนนเพราะมันอยู่ในร่มแดดมันไม่ส่องทามาอยู่ในกลางถนนรถวิ่งอยู่ทั้งวีทั้งวันมันขี้ตะไคร้จะเกิดได้ยังไงเพราะมันขัดอยู่ตลอดเวลานะ อันนี้มันไม่มีใครขัดมันนะเจฮะมีแต่ฝนตกลินพล้ำพล้ำทั้งหวีทั้งวันเป็นอาทิตย์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะกำลังนะถนนกําลังจะรื้นนะพระเนนลูกหลานให้ระมัดระวังหนะ่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงพวกพระใหม่กลัวจะเดินไม่ระวังอแต่เบิร์นไม่ระวังกันเล่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละรองเท้านะ่ะให้เปลี่นยนใหม่ พวกครูบารุ่นพี่ให้ดูให้ดูรุ่นน้องที่ดูแล้วมันร อ, องเท้าที่ไม่ดีทนะ่าก็เปลี่ยนให้ให้เลย เ, เพื่อจะให้มเดินก็บอกวิธีการเดินด้วยถ้าเดินอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้าเดินท่านเดินไม่ดีก็หัวล่างข้างแตกได้ไง่ายๆเหมือนกันนะครูบาทั้งหลายนะช่วยๆกันดูกันนะ วันนี้เป็นวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2558วันนี้เข้าพรรษามาอธิษฐานพรรษาเมื่อวันที่31นะอธิษฐานพรรษาเมื่อวานนก็วันที่1วันนี้ก็วันที่สองแปลว่าเข้าพรรษามาได้สองวันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนลดละวันนี้ลดลงไปเห็นได้ถนัดตาแต่ถึงยังไง ก็ยังมียังมากอยู่แต่ทราบข่าวว่าตอนประมาณทักเที่ยงทางวัดโพธิสมพรก็จะเข้ามากราบคลวะกรูบาทานอาจารย์ทางสายนายูก็คงจะขึ้นไปภูก้่อนแล้วก็ผ่านวัดเราก็คงจะมาถึงวัดได้ทราบข่าวว่าไปฉันเพนที่วัดหลวงปู่เครื่องอบ้านนายูก่อนแล้วก็จะมาวัดของเรา ก็คงจะเป็นตอนบ่ายๆเราคงจะบอกว่าประมาณ400คนนะบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทางในครัวทางครูบาทั้งหลายให้ช่วยๆกันดูแลเรื่องน้ําเรื่องน้ำปลาณ้เรื่องน้ําอะไรที่จะดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่มาตอนบ่ายวันนี้นะช่วยๆกันดูแล้วก็ หลวงพ่อก็คงจะมาลงมาพูดกล่าวตอนรับขับสู้แล้วก็จากนั้นเขาคงจะแยกย้ายกันคงจะขึ้นไปภูก้อนกระมังนี่นในท่วงในช่วงที่เข้าพรรษาเป็นอย่างนี้แหละศรัทธาญาติโยมลูกหลานบางทีบางครั้งก็ไม่ได้คาดได้คิดว่าพี่น้องจะมาจากทางไหนบ้างแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของถิ่น ต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอถ้าทราบข่าวแ ล, ล้วก็เอาเราก็ต้อนรับขับสู้ทาให้ต้อนค่ะถ้าไม่รับไม่ได้เราก็เอาผกน้ำาขงน้าแข็งผกน้ำในขวดในวัดของเรานะ่ะออกมาต้อนรับ <c oughs> แขกคนที่มาสู่วัดของเราพระเนนโดยเฉพา ะ, อ, ะอย่างยิ่งพระสงฆ์พระเนนะนะ่น่ะพวกเราให้ ตอนรับตอนดูเป็นกรณีพิเศษสักหน่อยเพราะว่าท่านฉันมือเดียวนันอาจจะหิวน้ำเหนื่อยมาแล้วกับพวกเราก่อนนะในฐานะเราเป็นแขกเราก็ตอ้ตองต้อนรับขับสู้ <c oughs> แต่ปีน้องประชาชนก็เออเอ า, เ, อาเขากินอะไรก็ได้ตามข้างถนนร้านโค้งร้านค้ามันมีอยู่ดาดเดินไปหมดทุกวันนี้ เ, เขาอาจจะสู้กองซื้อกินก็ได้แต่พระไม่ได้เลยต้องมาถึงที่ซะก่อน เ, ออเพราะนั้นพวกเราต้องดูดูกันกู้บา ท, ทั้งหลายช่วยๆกันดูในพรรษาเนี่ยนะยังไงยังไงก็ถือว่าเป็นญาติธรรมของพวกเรา เ, เป็นญาติธรรมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายครวญญาติโยมที่มาสู่วัดวาศาสนากด็ดีอบอุ่นเหมือนกันนะถต่ว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายไหมถ้าเราถ้าเรามองไปทางนู้น ถา้าว่ามองไปทางยุง่งเหยิงวุ่นวายกับใช่แล้วก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายน่ะเกินสองคนขึ้นไปแล้วก็ต้องยุง่งเหยิงวุ่นวายไม่เหมือนอยู่คนเดียวนะถ้าอยู่ในห้อ ง, องคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครยุ่งมีแต่ยุ่งตัวเองยุ่งกับตัวเองเท่านั้นนะยุ่งตัวเองคืออะไรก็คือกิดปุงฟุ้งซ่านเออคนที่ไม่จิตแจไม่เป็นสมาธินะปุงฟุ้งซ่านอยู่ในคนเดียวอยู่ในห้อ ง, องคนเดียว แล้วก็ผลุนไปแล้วก็ผุนมาเด็กกับยิบนั้นเด็กกยิบนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่อยู่กับที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้าหากว่าพวกเราจิตใจสงบแล้วอยู่คนเดียวกับเน่งสบายดูใจคนตนเองอยู่ตลอดแต่ออกมาข้างนอกเนี่ยเออธรรมดาแขกคนมาหาอย่างหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นหัวหน้า ของพวกผูกหล้านทั้งหลายเนี่ยแต่และวีละวันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ว่าจะทำยังไงได้เพราะเรายุนมาอยู่ในสถานะนี้มันก็ต้องวางตัวให้ถูกว่าวางวางตัวอย่างไร จ, ง จ, ง จ, ง จ, จึงจะถูกต้องออมีมากหลากหลายในแนวความคิดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ แต่ถึงยังไงก็ต้องก็าตามนะอย่าให้มีอารมณ์โมโหโกธาอารมณ์โกรธให้ถือว่าเป็นญาติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอีกไม่นานต่างคนก็ต่างไปของใครของเราแล้วละบุญกุศลใครใครสร้างได้ใครทําได้ก็เป็นบุญกุศลของคนนั้นแต่ระหว่าพวกเราเทําบาปมันก็เป็นบาปบุญกุศลนะลูกหลานนะอ้ ว่าเราทําบุญกับเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนที่มีอารมณ์โกรธโมโหโกธานะไม่พอใจหลวงพ่อได้ไปอ่านในพระไตรปิฎกนะมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะ่นนี้นางพราหมณีคื อ, อ, อแฟนของพราหมณ์ เขาถือโอกาสเห็นหมูพวกเพื่อนไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธายาวที่วัดป่าเชตตะวันเขาก็ไปฟังไปฟังธรรมเทศนาพอไปฟังเขาได้สำเร็จพระโสดาบันพอสัสดาบันใจของพระโสดาบันใจเน่งนะใจเป็นธรรมใจเป็นกลางใจมีหลักยดึดะใจมีเหตุมีผ ล, ละใจไม่หวั่นไหวไกวแข่ง คือพระโสดาบันคือเป็นเรียะบุคคลขั้นต้นในหลักของพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อธรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่วันไหวก้อยแขว่วววงทำดีต้องได้ดีจะดึกชั่วได้ยังไงทำชั่วก็ต้องชั่วจะดีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นผู้หมดจดจากกิเลสยึดพระไตรยสรณคมเป็นจิตเป็นใจจริงๆ ไม่ทํำบาปมีสินห้าอีกต่างหากโดยอัตโนมัตินะพระโสดาบันน ะ, ะกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมบทสิบอยู่ในอยู่ในใจของพระโสดาบันไม่มีอะไรบันไว้แกว้งอันนี้คื อ, อพัญญาของพราหมณ์แต่พ ร, พ ร, พรามหมณ์เนีย่ยไม่ได้สนใจมีแต่ทำมาค้าขายไม่ได้สนใจเรื่อง สิ่งและอะไรแต่คนที่อยู่ด้วยกันกันอย่างว่าแต่พราหมณ์เนี่ขี้โมโหเป็นหลักนะความโกรธนี่เป็นหลักของของหัวใจพราหมณ์เทนีนางพราหมณีนั้นะเวล า, าทะเลถลายก็ตามเวลาไอเวลาจามเวลาของหล่นหลุดออกจากลงจากมือนี่ยจะต้องวนณโมจัดสระปะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าไปเจ้าข อ, อนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นนี่นางพระมณีจะพูดอย่างนี้นีอแต่พูดใหม่ๆพราหมณ์ก็เฉยๆก็ไม่ว่าอะไรพ่อบ่อยๆครั้งเข้าคนหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะไอ้พรามตร์ตนที่ไม่เข้าใจก็โมโหขึ้นมาเลยถึงเออพอหลายๆครั้งเข้ามา วันหนึ่งนางทำจานข้าวกำลังจะไปเสิร์ฟให้สามีอยู่ในโต๊ะทานอาหารจานหลุดมือเลยไปสะดุดอะไรจานหลุดมือเพราะจานหลุดมือนางก็ บ, บอกว่านโมตสสะพระคาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพพรามกำลังโมโหกำลังหิวข้าวใช่ไหมแล้วไปบน่นไปบนว่านโมเลยมันก็ไม่เข้ากันแเจ๊เจเลไอ้พราม พรามมันเลยก็เฮ้ยฮอเนี่ย ม, มันจะหกจะล้มหมดทีไหนมันก็ว่าแต่นโมเนี่ยข่าเนี่ยำคาญยิ่งกว่าอะไรวะมันทําไมไปหานับถือสมณะเอออยู่ในปา่าในโรงอยู่ในวัดอย่างนั้นเนี่ยข้าเนี่ไปเห็นจะใช่ความสําคัญอะไรเออเอาเถอะนะเดี๋ยวข่าจะไปเ อ, อสักถามดูมันเป็นยังไงอีหานมันจึงไปนับถือเริ่มใสขนาดนั้นนะพราหมณโมโหใช่ไหมละ่ะ ก็พูดออกไปนางก็บอกเออไปเลยขอเชิญท่านสอเชิญไปพูดกับพระพุทธเจ้าด้วยเถอดนะพราม์ก็ไปอย่างนั้นจริงๆนะพอไปถึงแล้วก็ไม่ไม่คาระวะนะเพราะคนไม่เคารพกันเนี่ยจะไปคารวะคารวะได้ยังไงใช่ไหมไปก็ไปยืนโดดเดกถามนะท่านสัมณะฆ่าอะไรได้จึงเป็นสุขเอาชนะอะไรได้จึงเป็นสุข พระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยพรามเอาชนะความโกรธได้น่ะเป็นสุขเนี่ถ้าชนะความโกรธได้นั่นแ่ะเป็นสุขอยู่ที่ไหนเป็นสุข เ, เพราะความโกรธเนี่ยมีแต่ทำให้คนเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ทำให้คนทกเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าคนเอาถัดใครก็ตามเอาชนะความโกรธได้นั่นแหละความโกรธนี่นะเออ รากมันหวานแต่ยอดมันเป็นพิษพระพุทธองค์ว่าย่างัง น, นะรากมันหวานแต่ยอดมันเป็นพิษนะพรามท่านอย่ายินดีเพราะความโกรธเนี่ยนะมันเป็นพิษในยอดของมันแต่รากมันหวานท่านต้องดูพอพรามณ์ได้ยินเท่านั้นแ่ะโอ้ใช่พระพุทธองค์เลยตอบลึกซึ้งเหลือเกินเวลาเราจะโกรธแล้วมันก็โมโหขึ้นมามันทุกจริง จากนั้นก็โอ้พระพุทธองค์มีธรรมะเข้าถึงธรม ร, รมพรามคนนั้นก็เลยขอบวชอพอขอบวชแล้วปฏิบัติไม่นานได้สำเร็จเป็นพระหรหัสนะี่เมียได้ไประโสดาบันพรามได้พระหานแต่น้องชายมาโกรธว่าพี่ชายทำไมโง่นักจะไปหานับถือสําราไปหาบวชกับเขาอีกต่างหากคงจะมีคนมีฐานะเหมั้นนนะ โหวนิโก็รธ ไ, ไปหาพี่ชายไปตอ ว, ว่าด่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าสอนอีกได้สาเร็จเ อ, อน้องชายคนหนึ่งไปอีกเอกมีพมี่มีพี่น้องด้ยกันสามสี่คนนะพระองค์ก็ได้เทศให้สําเร็จเป็นพระโสดเป็นพระรหารทั้งหมดเลยผู้ชายนะี่พระสงฆ์ทั้งหลายก็ เ, เห็นโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้อดทนจริงๆ เป็นผู้อดทนจริงๆขนาดเขามาด่ามาว่ากระเฉยยังเทศให้เขาฟาังจนเขานับถือเลื่มใสจนได้บวชในพระพุทธศาสนาจนได้สําเร็จเป็นมักสําเร็จผลโอ้น้าบูชาเชิดชูบูชาจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็นเลย ม, มาพวกเธอสนทนากันอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้ารงบอกว่าเอยการมีขันติคือความอดทนเนี่ยนะ ต้องรู้การะเทศะขันติคือความอดทนในเลิอดประเสริฐเเอ อ, เ อ, อถ้าคนที่ไม่มีขันติคือความอดทน่ะไปอยู่นสถานที่ใดเดืเอด ร, ร, ร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานนะเมื่ออดทนไม่ใช่ว่ามีอะไรขึ้นมาก็โมโหขึ้นมาเออมันจะเห็นมองเห็นอะไรมันจะไม่มองเห็นผิดเห็นถูกเห็นควรสิ่งที่ควรไม่ควรถ้าเรามีขันติ มีอะไรเกิดขึ้นต้องสร้างดูช่างช่างตายขึ้นตาช่างดูซะก่อนดูซะก่อนว่ามันผิดมันถูกมันทำไมเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างไรนี่แหละถ้าว่าผู้ใดทำอย่างนี้ได้นะั่นนะเลิศประเสริฐเอาชนะความโกรธของคนของในใจของตัวเองได้ชนะความโกรธของคนอื่นเลิศประเสริฐอันี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกว่านี้นะความโกรธนี่ผิด รากเป็นพิษเออแต่ยอดเอรากหวานยอดเป็นพิษเขาว่ารากหวานนั่นคืออะไรคือรากมันอยู่ในจิตใจของเราเราโมโหให้เขาใช่ไหมโมั่วโหใช่ไหต้องจัดการให้ฉะใจใช่ไหมมันหวานเนี่ยคล้ายๆกับความความต้องการของตัวเองเลยอยากจะ comment ม, มันไว้งนันเลยอยากจ ะ, จะบันมันเออยากจะข้าอยากจะตีมัน แม้มันคล้ายๆมันมันก็มีความสุขในใจในช่วงนั้นเหมือนกันที่เราทําไปแล้วแต่มันผลมันออกไป เ, เมื่อไปคาไปด่าเขาแล้วเนี่ยนั่นแหละมันเป็นพิษเลยทนานในเมื่อมันเป็นพิษเอตัวเองเลยเป็นเป็นอสรพิษเข้ามาสู่จิตใจของตนเอง เ, เดือดร้อนวุ่นวายเลยท่านเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทําตอนทําไปแล้วก็ไม่ได้คิดใช่ไหมในเมื่อทําไปแล้วนี่ผลแห่งความโกรธนั่นน่ะ มันให้ผลนะสิเนยมันเป็นเพชษนี่ยเพราะนั้นท่านบอกว่าความโกรธเหมือนกับต้นไม้รากหวานยอดเป็นพิษเนี่ยให้พวกเราสังเกตดูนะไม่ได้อยู่กับที่ผู้อื่นผู้ใดอยู่ไม่ได้อยู่กับใครผู้ใดใครผู้หนึ่งอยู่กับพวกเราทุกคนให้ตรวจตราดูตนเองเรื่องความโกรธ นั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าในพรรษานี้เรางดความโกรธได้ไหมถึงจะไปงดให้เด็ดขาดก็เพลอเพลาลงาให้เพลาเพลาลงอย่าไปใช้อารมณ์ โ, โหโกโธาเกินไปต้องใช้หลักเหตุผลมันจึงจะเป็นธรรมอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าสามีภรรยา อ, าอยู่ด้วยกันลูกหลานอยู่ด้วยกันญาติโกโหติกาอยู่ด้วยกันเจ้านายลูกน้องอยู่ด้วยกัน ลูกศิษย์ลูกหากูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันถ้ามีเหตุมีผลแล้วก็เอมีความพรมเย็นเป็นสุขทโทษหน้ากันแต่จะไม่ให้โกรธเชลยไม่ให้ดุดาเชเชลยก็ไม่ถูกนะเอถ้าว่าโกรธจนเกินไปไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ถูกนะแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าความโกรธเนี่นะ่ะใช้อาการความโกรธ ด, ดี แต่จะไปโกรธเลยถ้าโกรธเลยโกรธขึ้นมาถึง จ, จิตใจเสียหายตัวเองเทวันทำไมหลวงปู่มั่นถพูดอย่างงั้นท่านบอกว่าถ้าโกรธมาจา ก, ก จ, จิตใจจริงๆเสียหายทำให้ตนเองเศร้าหมองตกนรกหมกไหมไปได้แต่ใช้ความโกรธมีประโยชน์คืออย่างที่พระพุทธจเจ้าก็ดีพ ร, พระอาหารหันต์ก็ดอีอย่างหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านดูให้ลูกศิษย์อย่างเนี้ย อย่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นไม่ได้ไล่หนีจากวัดนะเหมือนกับท่านโกโรธจริงๆจังๆแต่ตามไม่จริงท่านหมดถ่านเราไม่พูดอย่างนี้องค์นั้นมาก็ทำรื้อด้านอีกอย่างเก่าเออทำเงยเงซะาทำไม่ดีอีกอย่างเก่าเพราะนั้นต้องเด็ดขาดคกอเด็ดขาดก็เนี่็คืออาการของคองความโกโรธคือความไม่พอใจในเรื่องที่พระองค์นั้นกระทำหรือญาติโยมคนนั้นกระทำ ถ้าไม่พูดอย่างนั้นนั้นนแหละมันก็ทำเออเหมือนกับมาอยู่ใกล้ก็ทําเลื่อยเ ป, ยปเื่อยไปเรื่อยเสียหายไม่มีโกรธไม่มีระเบียบเออไม่มีกฎกติกาในการอยู่ด้วยกันนี่แหละเสียหายเพราะฉะนั้นต้องใช้ใช้อาการแขกของความโกรธแต่จะไปโกรธถึงจิตถึงใจพอพูดแล้วก็ให้จบไปพกใจไม่โกรธนะแต่ใช้อาการของความโกรธนั้นให้เกิดประโยชน์ในการดูแล ในการปกครองหมู่คณะในการเป็นอยู่ด้วยกันอันนี้แหละอันนี้เราก็ต้องให้รู้จักเหมือนกันนะอันนี้เป็นแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ข อ, ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในพรรษาที่เข้ามานี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจตั้งต้นใครจะทําอะไร อดนอนผ่อนอาหารสัม p r a s ของเราภาวนาข้าวพรเจ้าจ ะ, จะพูดน้อยที่สุดจําเป็นเท่านั้นจริงจะพูดเราก็บอกให้หมูให้เพื่อนก่อนเออเจ็ดวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากนะ อ, อแต่จําเป็นผมจะพูดแต่ผมจะไม่อธิษฐานจะไม่พูด เ, เลยเออในพระวินัยท่านไม่ให้อธิษฐานนะภิกษุใดก็ตามอธิษฐานไม่พูดปรับอวบถกกฏ มันต้องพูดเมื่อข่าวจำเป็นแต่ให้พูดน้อย อ, อคันไม่พูดจะเลยทำไมท่านจึงปรับอาบัิเพราะว่ากูบายอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยอธิฐานไม่พูดลูกศิษย์ลูกหาจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดได้ยังไงทีนี่เพราะไม่ไม่ไมแนะนำสั่งสอนไม่บอกกล่าวเนี่ยอันนี้ทำให้เสียหายพุทธศาสนาเสียหายพูดที่ควรพูดก็พูด แต่ทีนี้เมื่อพระที่พระอยู่ด้วยกันอธิษฐานไม่พูดเนื่อเมื่อไม่พูดน่การอยู่ด้วยกันจะได้นำบอกกล่าวในการกระทําผิดได้อย่างไรจะทำให้พุทธศาสนาเสียหายอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ควรพูดก็พูดแต่ก็พูดให้น้อยพูดให้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆเมื่อหยุดพูดเมื่อพูดแล้วก็พอประมาณถูกต้องเข้าใจกันแล้วก็ยุ อย่าไปพูดพั่มเพื่อเรื่อรังพูดไม่รู้จักจบพูดทั้งวี่พูดทั้งวันเอเดี๋ยวก็ถูกในเปี้ยดดดขี้แพะเข้าปากได้ไงออย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังอันนั้พูดไม่มีเหตุไม่ีผลเขาพูดอะไรก็อ้าปากกันไล่ไปเรื่อยอจนผู้อยู่ใกล้ๆล่ำคาญะเออย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะพวกเราเรานะเพราะการอยู่ด้วยการพูดก็ต้องให้รู้จักประมาณในการพูด อย่างหลวงพ่อพูดือนกันนะหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดทั้งวีทั้งวันนะอตอนเช้าหลวงพ่อก็พูดให้ฟังซะอย่างไงที่พวกเราจะเข้าใจพวกเราจะเรียนรู้เออในเรื่องปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็หลวงพ่อก็พูดให้ฟังเมื่อให้ฟังแล้วก็จบแต่คนอื่นมาเองเอาจะทำยังไงได้อย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานนะหลวงพ่อเออพระพวกคณะศรัทธาญาติโยม จากเหนือจดใต้ไม่รู้ว่ากี่จังหวัดที่เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยถ้ามาเห็นแล้วก็มีแต่ยิ้มใส่กันแล้วก็ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเขามาสู่วัดวาศาสนาเพตอะนั้นหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องธรรมะขั้นพื้นฐานให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะแหลวงพ่อก็พูดให้ประมาณสักหนาที10นาทีแล้วก็อ้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท ที่มาอยู่ด้วยกันเข้ามาศึกษาเหมือนต้องมาได้รับได้รับการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่เป็นพระสงฆ์บ้างแต่พวกเราพวกท่านทั้งหลายสอนกันมันสอนไม่ได้หรอกอพวกสอนครว่าศ์สอนกันสอนยาก เ, าเว้นเสียแต่เข้าห้องประชุมจริงๆจึงจะพูดแล้วก็มาใครแบบไม่ไม่ให้ใครเถียงได้เลยเอพอพูดคนเดียวแล้วก็จบนะ แต่สําหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านก็พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะมีอะไรก็พูดขึ้นมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ก็คือเรียกว่าพุทธบริษัทพุทธศาสานิกชนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรที่อยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นเราจะไปอธิษฐานจะไม่พูดเจะเลยอันนั้นผิดนะพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเลยห้ามไม่ให้ภิกษุอธิษฐานว่าจะไม่พูด ถ้าองค์ไหนอธิษฐานว่าจะไม่พูดปรับอวัตถุ ก, กฎมันมีในบทวินัยของพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อก็เห็นด้วยพูด ส, สิ่งที่ควรพูดบอกกล่าวในสิ่งที่ควรควรบอกกล่าวเพราะพระพุทธศาสนาเนี่เป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยการแนะนำสั่งสอนอบอกกล่าวกันคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 84.000 พัน 8, 000, 000, 000, พระธรรมขันธ์ ถ้าว่าต่างคนต่างไม่พูดเลยจะเจริญไหมครับมันจะเจริญมา ก, ก่อนหยุดพูดกันเลยใออไม่ต้องพูดกันเลยมันดีไหมแต่ก็มันจะดีได้อย่างไงเพราะเราไม่พูดไม่แนะนําคนรุ่นใหม่จะรู้ได้อย่างไรถ้าว่าพูดทั้งวีทั้งวันจนเขาลาคาญอันนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกไม่รู้จั ก, การาเทศการสถานที่เอ อ, อันนั้นก็ไม่ถูกอเหมือนกันนะเพราะนั้นการที่จะพูด การที่จะแสดงเรื่าการจะอ้างเหตุผลก็ต้องดูกาละเทศะให้กับผู้ที่ต้องการได้ยินได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่านะาการพูดการแสดงออกหรืหว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ดูความโกรธภายในใจของตนเองเอแล้วก็ให้ เอาชนะความโกรธของคนอื่นคนอื่นเมื่อเขาโกรธมาเราก็ต้องระวังต้องดูนะต้ อ, อตงหลบแต่ถ้าว่าพอที่จะพูดแนะนําเขาได้ก็แนะนําอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําพรามณหลวงพ่อว่าถึงพราหมณ์คนนั้นจะมีความโกรธในใจก็จริงยุกแต่เขาก็มีเหตุผลนะพอเขาถามแล้วเขาก็ฟังพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสีจุดตับเข้าไปอู้ใช่ถูกต้อง สมมัมมนาโกรธโมพูดถูกจริงๆเอเออค่าความโกรธได้ค่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขนะอที่มันโกรธมันรุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุดมีอะไรก็โมโหโกรธาโกรธอยู่ตลอดนะเนี่ไงโกรธทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นก็โกรธอยู่อย่างอยู่ในจิตใจพอระงับความโกรธได้แหละมันเย็นมันสบายเออมันสุขจริงๆค่าค่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขเนยะนี่แหละ อันนี้พราหมณ์คนนั้นเขาก็ยอมรับเหตุผลของพระพุทธายาจากนั้นเขาก็คงได้ฟังธรรมข้ออื่นอีกต่อไปเขาก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาะจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันตะ์นี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพุทธศาสนาะมีหลายชั้นเชิงหลายเล่เหลี่ยงที่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะอาวันนี้ก็เป็น วันหนึ่งที่หลงวงพ่อให้เหตุผลแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายลต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอนะทีนะ่ะ